สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คืเสียงจากสีบางคัดในวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สี่สิบเจ็ดครับหญิงชาวสมาเรียตอนที่สามครับเห็นครับผมขอทบทวนนะครับในเรื่องของหญิงชาวสมาเรียนั้นอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สี่แล้วก็ได้พูดถึงว่าทะเลนั้นก็เป็นสถานสถานที่ที่ปฏิบัติงานของพระเยซูหรือฐานปฏิบัติการฐานบัญชาการของพระเยซูนะครับก็เหตุผลต่างๆแล้วก็พูดถึงว่า การทรงเรียกที่พระเยซูได้เรียกสาวก12คนนั้นมีคนเดียวครับที่ไม่ใช่ชาวแกรีก็คือยูดาสอิสคาริโอตคำว่าอิสคาริโอตนะครับแปลว่าคนที่อยู่ที่หมู่บ้านคาริโอนะครับยูดาสอิสคาริโอตแปลว่าหมู่บ้านคาริโอตซึ่งอยู่ในยูเดียครับซึ่งเป็นอิสราเอลทางฝ่ายใต้ที่นั่นครับในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในพระธรรมยอห์นบทเดิมครับบทที่4ข้อที่4ถึงข้อ6นะครับเราจะพบว่า มีคำว่าจำต้องนะครับหมายถึงเบื้องบนบัญชานะครับและก็ในข้อที่เจ็ดถึงข้อที่เก้านะครับก็จะพูดถึงการที่พปเยซูได้ทรงประทับอยู่ที่ข้างบ่อน้ำและมีหญิงชาวสมารียคนหนึ่งมาตักน้ำในข้อที่แปดทำใหเราเห็นว่าพปเยซูทรงให้สาวกเข้าไปซื้ออาหารในเมืองสิกาหลังจากนั้นเปเยซูก็อยู่แต่ลำพังเมื่อผู้หญิงคนนั้นมาถึงบ่อน้ามีสิ่งที่น่าสังเกต เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับที่พระเจ้าได้ทรงนํานะครับที่คําว่าจําเป็นต้องก็คือเบื้องบุญบัญชาให้พระเยซูนั้นได้เสด็จนะครับผ่านไปทางสมารีาเพื่อที่จะไปกะห ล, ลี่นั้นไปกับสาวกของพระองค์นะครับข้อสังเกตรประการแรกก็คือที่หมู่บ้านสิกาจริงๆก็มีบ่อน้ำประจาหมู่บ้านอยู่แล้วเหตุไ น, นผู้หญิงคนนี้จึงมาตามทางจากตัวเมืองเพื่อที่จะมาตักน้ําเล่านะครับนี่คือ ข้อสังเกตรประการแรกข้อสังเกตรประการที่สองก็คือว่าผู้หญิงคนนี้นั้นได้ออกมาตักน้ําในเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นเที่ยงวันที่ร้อนมากนะครับเป็นเวลาที่ร้อนมากจึงไม่ใช่เป็นเวลาปกติที่ควรจะมาตักน้ําเหตุไฉนหญิงคนนี้จึงไม่มาตักน้ําตอนเช้าๆหรือตอนเยน็นๆร่วมกับผู้หญิงคนอื่นชาวเมืองสิค่านะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติประการที่สามครับซึ่งเป็นข้อสังเกตนะครับ ที่น่าสนใจก็คือเหตุเช่นไหนเขาจึงเธอจึงมาที่บ่อน้ําเพียงลาพังนะครับสําหรับชาวยิวแล้วเวลามาตักน้ําที่บ่อน้ําเป็นช่วงเวลาสังสรรค์สโมสรครับมาเจอกันที่บ่อนา้ํานะครับก็มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพูดง่ายก็คือว่ามาพูดถึงเรื่องของชาวบ้านเขาพูดถึงเรื่องคนอื่นหรือแม้กระทั่งอ่าเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องตัวเองก็ได้นะครับนี่เป็น งานของผู้หญิงและเป็นการพูดคุยแบบผู้หญิงผู้หญิงนะครับยังไงก็ตามครับการตักน้ํานี้เป็นงานหลักของผู้หญิงในปาเลสไตน์หรือว่าในสังคมของคนยิวในสมัยนั้นนะครับเป็นงานหลักแต่ก็เป็นงานหนักด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องเอาน้ํามาจากบ่อน้ําไปบ้านครับและใช้กันทั้งบ้านเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสาเหตุนะครับที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้มาตักน้ําแบบเพียงลําพังมาตอนเที่ยง วันซึ่งร้อนมากครับพระเยซูทรงชาาิถึงสาเหตุครับแต่เราจะดูวิธีการแอปโรชของพระเยซูนะครับในเรื่องนี้พระองค์ทรงเริ่มต้นชวนคุยเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้ได้เล่าได้สะท้อนปัญหาตัวเองออกมานะครับที่แรกสุดนั้นพระองค์ก็ขอน้ำดื่มครับในข้อที่เ้านะครับหญิงนั้นทูลว่า ai, ท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้าดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรีย พี่น้องครับเราคงทราบนะครับว่าสำเนียงการพูดภาษายิวนะครับกับชาวกาเรลีก็ไม่เหมือนกันแต่แม้แต่ทั้งชาวสมาเรียนะครับก็เชื่อแน่ว่าคงจะไม่เหมือนกันสังเกตที่การพูดหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่คนคนนึงจะมานั่งอยู่นะครับที่บ่อน้ําเพื่อที่จะขอน้ํานะครับตอนเที่ยงเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับจากผู้หญิงคนนี้เหมือนกัน จึงเกิดการถามไปแล้วก็ถามกลับมาครับนะครับว่าทําไมพระเยซูซึ่งเป็นชาวยิวต้องขอน้ําจากผู้หญิงชาวสมาเรียซึ่งถือว่าผิดธรรมเนียมมากครับที่คนยิวจะพูดกับชาวสมาเรียแสดงว่าคนยิวคนนี้ไม่ธรรมดาและจากการแต่งตัวของพระเยซูนะครับทําให้นางรู้ว่าคนเนี้ยเป็นอาจารย์ครับเป็นรับบีนะครับและรู้ว่าชนชั้นระดับรับบีหรืออาจารย์เนี่ย นะครับจะต้องหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่ว่าในรูปใดโดยเฉพาะยิ่งพูดกับผู้หญิงหรือว่าพูดกับผู้หญิงในที่สาธารณะนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นอีกอคติอคติแห่งยุคห้ามการสนทนาโต้อ ต, ตอบระหว่างชายหญิงในที่สาธารณะโดยเฉพาะคนแปลกหน้าหรือไม่เคยเจอกันมาก่อนพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้รู้แน่อยู่แก่ใจนะครับว่าตัวเองเป็นผู้ที่สังคมเหยียดหยามนะครับ แต่นางไม่เฉลียวใจครับว่าพระเยซูรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสวรรค์บัญชาครับก็คือพระเจ้าได้ทรงนำให้พระเยซูได้มาพบกับผู้หญิงคนนี้ที่บ่อน้ำนะครับโดยมีข้อสังเกตที่น่าสนใจต่างๆที่ได้เล่ามาให้ฟังพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองครับวิธีการแอบโพสของพระเยซูหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ถามว่าเหตุฉไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้าจากฉัน ผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียพระเยซูตรัดตอบเธอว่าครับถ้าเจ้ารู้ว่าเจ้ากําลังพูดกับผู้ที่พระเจ้าประทานเจ้าคงทูลขอน้ําดํารงชีวิตจากผู้นั้นคําว่าผู้ที่พระเจ้าประทานหมายถึงพระเยซูครับซึ่งพระเจ้าได้โปรดประทานพระเยซูให้แก่โลกเป็นของขวัญของโลกและของขวัญของพระเยซูที่ให้กับพวกเราก็คือชีวิตนิรันต์การทิ้นปย์ชนของพระเยซู ในข้อที่สิบเอ็ดนะครับหญิงนั้นเชื่อว่าพระเยซู ก, กําลังจะประทานน้ำชนิดพิเศษที่ไม่กระหายอย่างไรก็ตามครับนางสังเกตว่าพระองค์ไม่มีภาชนะใดที่ตักน้ําเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์กําลังเดินทางเป็นนักเดินทางอยู่นักเดินทางส่วนใหญ่มักจะพกถุงหนังเล็กๆไว้ติดตัวไว้ใช้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีมากถึงขนาดว่าต้องมีโอ่งหรือไห้หรือคนโทรไปเอาน้ํานะครับพระเยซู ก, ก็เช่นเดียวกันครับการเดินทางตรงนั้น นะครับใช้เวลาไม่กี่วันครับพระเยซูก็ไม่ได้มีภาชนะที่จะต้องมาตักน้ํำใหญ่ๆเยอะๆนะครับแล้วพระองค์จะเอาน้ําจากที่ไหนครับเอาน้ําจากที่ไหนมาให้นางนะครับข้อ13ข้อ14ครับพระเยซูอธิบายเกี่ยวกับน้ําำํารงชีวิตที่พระองค์หมายถึงเมื่อบอกว่าเมื่อรับน้ําจากเราแล้วจเจ้าก็ไม่ขายอีกเลยเนี่ยนะครับน้ําตรงนี้ก็คือน้ําดํำรงชีวิตน้ําำํารงชีวิต ไม่ใช่นั้นธรรมดาจากบอกน้ำพระเยซูร ท, รทรงใช้คำโอมมาเปรียบเทียบครับน้ําของพระองค์หมายถึงชีวิตวิรันต์เหมือนกับที่พระองค์ตรัสว่าเราเป็นทิปอาหารแห่งชีวิตไม่ได้หมายความว่าพระเยซูเป็นขนมปังหรือเป็นอาหารนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษบอกว่า I am the bread of life นะครับพระเยซูเป็นขนมปังแห่งชีวิตแต่การแปลของเราก็แปลว่าพระเยซูเป็นทิพอาหารหรือเป็นอาหารแห่งชีวิต่ไฟจิตวิ ญ, ญญาณครับเพราะฉะนั้น ความสําคัญของอาหารซึ่งเป็นชีวิตซึ่งดํารงชีวิตฝ่ายหยิมหย่านั้นก็สําคัญนะครับเชกเช่นเดียวกับอาหารที่จําเป็นหรือเป็นปัจจัยสําคัญกับการดํารงชีวิตฝ่ายร่างกายนี้คนเรานะครับอยู่ไม่ได้เมื่อปราศจากน้ํำดำรงเดียวกันครับหากเราไม่ได้ต้อนรับพระเยซูผู้ทรงเป็นน้ําผู้แห่งชีวิตเราก็จะตายด้วยเหมือนกันเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับนอกจากเราจะมีน้ําผู้แห่งชีวิตก็คือพระเยซูผู้ทรงประชานนี้ก็คือชีวิตอิรันครับ เปียสูจะนาหญิงนี้ถึงความรอดเหตุใดจึงทรงใช้คำอุปมาวิธีการสอนอย่างหนึ่งนะครับของระเยสูก็คือใช้ภาพพจน์ใช้คำอุปมาที่ผู้คนคุ้นเคยดีเพื่อที่จะนำสู่ความเข้าใจอุปมานั้นเป็นหรือว่ามีทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมครับจากความเข้าใจในแง่ของมโนธรรมหรือว่านามธรรมนะครับให้ไปสู่รูปธรรมให้ได้คนในสมัยก่อนนะครับ ต้องขุดบอ่อน้ำหาเลี้ยงชีพเพื่ อ, อยางชีพครับพระเยซูนำผู้หญิงคนนี้มาถึงความรอดโดยบอ่อน้ำบอ่อนี้นะครับน้ำนั้นเป็นปัจจัยที่ล้ำค่าที่สุดในแผ่นดินปาเลสไตน์ในแผ่นดินททเลสไตน์นะครับไม่มีน้ำประปาเหมือนกับพวกเรานะครับคนสมัยก่อนต้องขุดบอ่อเมื่ออารยธรรมุดหน้ามากขึ้นศูนย์กลางชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านก็อยู่ที่บอ่อน้าประจาหมู่บ้านครับซึ่งจะให้น้า แก่ผู้คนปุงสัตว์เพราะฉะนั้นบอ่อน้ําจึงมีความสําคัญมากพระเยซูกําลังบอกว่าพระองค์เองนั้นสามารถประทานน้ำํำพุแห่งชีวิตได้เพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำํำพุแห่งชีวิตนั้นแปลว่าชีวิตอิรันครับน้ําจากบอ่อน้ำของยาคบดับกระหายของร่างกายแต่พระเยซูดับกระหายด้านจิตวิญญาณทําให้เรามีความอิ่มเอิบใจขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้พระเยซูทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยรอดของเรานั้น ทำให้เราทั้งร้ายอิ่มเอิบใจอาเมียน